หล c งรายะเท่าไหร่ชขึ้นชมึกมนจะหลกไปไหนนะนงภาวนาต่อ <c oughs> ตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ดีเราจะเห็นว่าหลายหมูหลายพวกหลายกลุ่มหลายภาษาทีเป็นพุทธบริษัทเวียนมากราบมารรน้ำบูญทุกคนของพระพุทธเจ้า รตรงนี้เป็นปะคัน ด, ดีเป็นวัดพระเชษฐาวันเป็นต้นต่อดั้งเดิมที่อนาถบิทิกเสียถีมาสร้างมาสร้างถวายระเจ้าที่เมืองสาวัตถีเป็นวัดแรก วันนี้ได้มาด้วยการเอาเงินเอากระหาปปนะมาปูลาดพื้นที่ทั้งหมดเกินกี่ไร่ก็ไม่รู้หละฮะด้วยความร่วมสายศรัทธาของอนาตบิณิกเศรษฐีสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ของเจ้าเชษเป็นเจ้านะ ก็เหตที่อนาถะบิณฑิาเสียฐีอยากสร้างวัดถอยพระพุทธเจ้าตรงนี้ขอซื้อจะดูเหมือนจะพูดเป็นทีเล่นทีจริง<ส><ก>ถ้าสามารถเอาหาพณ ะ, ะมะปูได้เตรียมนี้ผมจะขายให้<ส><ก>เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับอนาถะบินฑิกาเสีย<ก>ถีต่อให้เอาชีวิตแร ก, <ส>กอนาถะบิณฑิกาเสียฐีไปยังเอาเลย ให้เอาคาถพรนัทที่มีอยู่มาปูราดกันีเอามาปูราดจนเกือบหมดเหลือบริเวณหน้าประตูตรงไหนไม่รู้แหละขอมีชื่อมีส่วนร่วมด้วยไม่ขายไม่ให้กูแล้วจะขอทําเป็นซุ้มประตูยาึกวัดเชตตะวันวัดเชตตะวั น, ววนกลายเป็นวัดที่มีสองเจ้าของเจ้าของหนึ่ง เป็นเจ้าของเฉพาะสุ้มประตูมีเจ้าของหนึ่งเอาขาพนัมะปูเตี่มพื้นดูที่ความย่อมใส่ศรัทธาของอนาคามีทิฏฐิเราเทียบเคียงอันนี้แล้วกับศรัทธาย่อมใสของเรานะเรามีความเริ่อมใสศรัทธากับพระพรุทธเจ้ากับพระธรรมประสงค์ถึงเรายังไม่มีเงินมีทองมีขาพนันอะไรมากมายถึงขณะนี้ก็ตาม แต่เราสามารถทำได้ซับอย่างอื่นซับอย่างอื่นกือเราซับอย่างอื่นก็คื อ, อมีปัจจุกปัจจัยทำบุญให้ทานพอประมาณเราก็ทำบุญด้วยกันตั้งต่รักษาศีลพูดถึงคนพูดถึงอาณิสงที่ยังไม่สงให้เราถึงที่สุดในอัตภาพนี้ ท่านบอกว่าต่อให้ทานร้อยครั้งสู้ความตั้งใจรักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้เพราะการตั้งใจรักษาศีล น, นั้นมีข้อวีรัตข้องดเว้นจํากัดอยู่นนั้นโดยเฉพาะแค่ศีลห้าขยับไปที่ศีลแปดขยับไปที่ศีลสิบขยับไปที่ศีลสองร้อยยี่สิบเกศ แต่ละข้อแต่ละข้อเนี่เป็นมีข้อวิรัติมีข้องดมีข้อเว้นข้องดข้อเว้นเหล่านี้มันถึงใจถึงใจก็คือถึงกิเลสตัณหาแล้วก็ถึงธรรมวิรัติงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่นักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนิ ก, นกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสารเเม่รมไรซึ่งเป็นศีลห้าการตั้งใจรักษาศีลห้า ให้บริสุทธิ์ได้ทั้งห้าข้อเราถือว่าเราสำเรวมได้ตามองของศีลหินห้าความบริสุทธิ์ด้วยรายกรรมด้วยวิจีกรรมเราก็ได้ความบริสุทธิ์ระดับศีลห้าแค่นี้เรามีมรรคมีผลมีพระนิพพานเกินไปในเบื้องหน้าไม่มีสักขวรนมรขวรนไม่ห้ามสวรรค์ไม่ห้ามนิพพาน เรามีศินห้าเ ร, ร, ราบอทโพกการปัจจัยอย่างอื่นกับมีครอบมีครัวมีอะไรได้มรรคผลนิพพานก็ไม่ห้ามแต่ให้อยู่ในขอบเขตจํากัดที่พระเจ้าทรงกาหนดเอาไว้การตั้งใจรักษาศินห้าเด็ดขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยสินไม่ขาดตั้งใจวีรตั้งใจงดตั้งใจเรียนจากนั้นเราไปเจริญเมตตา เกิด เ, เมตตาจนชนะความโหดร้ายความโหดเทียมในใจของเราทำใจของเรานี่อ่อนนิ่มด้วยเมตตาด้วยสงสารกับสัตว์ตัวตัวเล็กตัวน้อยวิญญาณตัวหยาบตัวละเอียดสามารถมีจิตแป เ, เมตตาละเอียดทัวครอบไปหมดไม่มีประมาณ นี่คือธรรมของพระพุทธเจ้านะมันละเอียดระดับจิตใจอย่างแท้จริงไม่ฆ่าสัตว์เพราะการฆ่าสัตว์นั้วมันมันผิดศีลด้วยแล้วก็มีเวรมีภัย ม, มีบาปมีกรรมมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยเวรด้วยภัยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลรักของเขาขเขาก็จะรักของเราฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเร า, า ก, กรรมมันต้องสนองกรรมเรื่องธรนมะของกรรมเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ดังที่พลนามใหฟังหลายรอบมาแล้ว รักของเขาเขาก็จะรักของเราผิดลูกผิดผัวผิดเมียเขาเขาก็จะผิดลูกผิดผัวผิดเมียเรามันเป็นเรื่องที่ทิ่มแทงกันกันไปทิ่มแทงกันมาพูดโกห ก, เ ข, เ, ข ก, หก เ, เขาเขาก็จะโกหกเราโกงเขาเขาก็จะโกงเราทินงพอสองไม่ฆ้าสัตว์ไม่รักทรัพย์ <c oughs> นอกจากไม่รักทรัพย์แล้วท่านยังให้ถือสัมมาถือปฏิบัติเป็นสัมมาอาชีพเห็น <c oughs> ความสำคัญของปัจจัยของเขาของเรา แหวงหาในทางที่ดีที่งามที่ชอบนี่เป็นไปเพื่อความสุดจริญด้วยกายด้วยวายจาด้วยกายกรรมด้วยวายจาไวจีกรรมไวจีกรรมก็ไม่พูดเท็จพูดหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดทิ่มแทงแต่เพื่อแทรกแดกดันให้คนอื่นต้องเก็บใจจาบคำพูดอย่าลืมว่าคำพูดมันสื่อความหมายบางคนสามารถสรรหาความหมายจากคาพูดมาพูด หมนก็มีโคนคมๆเชือนเข้าไปหัวใจเนี่ยแบบไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ในหัวใจเนี่ยเราพูดเป็นเหตุกระทบกระเทียนเขาเขาก็จะเป็นเหตุกระทบกระเทือนเราทาให้จิตของเราไม่บริสุทธิ์แล้วก็ที่สำคัญที่สุดทำให้ ส, หสติของเราอ่อนแอขาดสติทำให้ไม่กินของน้ำดองของเมา เนี่ยสิน่าตั้งใจรักษาสิน่าบริสุทธิ์ได้ทําให้กรรกายกรรมของเราบริสุทธิ์ไวจีกรรมของเราบริสุทธิ์ใช้จริงการตั้งใจรักษาสิน่านั่นะมันเป็นการระงับดับปลายเหตุของตันหามันเกี่ยวข้องกับตันหาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราตั้งใจรักษาสินหนึ่งครั้งทันจุงเที่ยวว่าพิ่งใหญ่กว่าการตั้งใจให้ทานมาร้อยครั้งแต่การให้ทานก็คือผลของการให้ทาน เอียดเข้าไปอีกก็คือการตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลร้อยครั้งสู้ตั้งใจเผานายใจสงบแป๊บเดียวไม่ได้เรามาคิดดูสิอันนี้ทรงเรานี่การที่เรามีศรัทธาเลื่อมใสเราไม่ได้มียิ่งใหญ่มากมายเท่ากับอนาถบินทิศเศธธียทีแต่ด้วยเหตุที่เราเลื่อมใสศรัทธาตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งแข็งทั้งไม่เดือดร้อนนะไม่เดือดร้อนด้วย ความชุ่มเย็นให้กับหัวใจของเราด้วยอยากมีอนนสองเพื่อพูดมากกว่านั้นพยายามตั้งใจทํำภาวนาให้ใจได้รับความสงบสงบด้วยการกําหนดสติเจาะเข้าไปที่จิตเจาะเข้าไปที่อารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตพยายามปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ด้วยการตั้งใจภาวนาบริกรรมภาวนาขุดโธขุดโตขุดโธให้ใจได้รับความสงบ สังเกตสังกาตามต้นันอยู่นั่นแหละไม่ปลอให้ห่างจากสติจากสัมผัสการยักความรู้สึกรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวผลอา น, น้สงส์จะสง่สงส่งให้สูงขึ้นยิ่งใหญ่กว่าการตั้งใจรักษากินไร้ทางตั้งใจพาวนาใหจิตมดดีรกความสงบเพราะฉะนั้นเราเห็นความสำคัญของอา น, นิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงนี้อ้าวเราไม่อับจนเลยนะ เรไม่มีอะไรที่จะทำบุญให้ทานยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นตั้งใจรักษาศีลตั้งใจรักษาศีลแค่นี้ยังไม่พอตั้งใจภาวนาอีกเอาทั้งหมดเลยทานแล้วก็ให้ศีลแล้วก็รักษาภาวนาแล้วก็ทําเอาหมดครบวงจรทั้งหมดพิจารณาให้เกิดเือให้เกิด ค, ค, ความรู้ให้ความกดให้กลัวเกิดความพวกเกิดความเข้าใจเวลาเรามีความขัดข้องในหัวใจของเรา ในสิ่งที่ภาครัดข้อในหัวใจของเราก็คือปัญหาปัญหาปัญหาทุกอย่างทุกเรื่องเกิดจากตันหาทั้งหมดปัญหาทุกอย่างทุกเรื่องมันเกิดขึ้นมาจากตันหาเพราะตันหามันเป็ น, เ ป, นเป็นตัวสร้างพบสร้างเจ้าให้กับเราพอมันสร้างมาแล้วนั้นแ่ะคือเจ้าคือจอมของปัญหาแหละคือตัวตันหาอย่างพิจารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ แล้วเราสังเกตดูไปที่ใจของเราใจเราก็มีความสุขมีความชุ่มเย็ยนมีอิสระเสรีกับจิตของเราเองเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าทําความสงบร้อยครั้งก็สู้ตั้งใจเปล่าไนเห็นอันนี้จังตุกขั้งนักตาความไม่เที่ยงแท้มั่นคงกับสภาวะของกายกับสภาวะธรรมของกายกับสภาวะธรรมของจิต แมเว บ, บเดียวไม่ได้ดูให้กลายเป็นอย่างอื่นให้ประสิิจาพราว่าเราไอ้คว่าไอความรู้สึกคำว่าเราความว่าเราควาว่าเราที่เรายึดที่เราถือมันมีอยู่ในใจของเราเราดูมาเถอะทัางความรู้สึกอยู่ที่กายของเราแค่เราตั้งสติโรคนวจดจอมาที่กายไอ้ความรู้สึกสำคัญมั่นหมายว่าเป็นกายอย่างชัดเจน เมือบางการบางคราวที่เราเคยพลังเผอสติสามัญชนะมาสู้ขันมั่นหมายมันยิ่งใหญ่ของมันเขาเจาะสติสามัญญนยะมหมดจดจาะลงใส่อาการที่เด่นชัดอย่างอื่นมากกว่ามากกว่าความเป็นกายที่เราเคยยึดมั่นถือมันว่าเป็นกายเราเป็นกายของของเราแค่นี้ก็พอจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าร่างกาย เป็นแค่ความสําคัญถือว่าเป็นตัวเป็นตนเท่านั้นเองแต่มันมีเหตุมีปัจจัยของมันท่านจึงให้คลี่คลายดูเหตุดูปัจจัยเข้ามาอีกเป็นอะไรเกิดสติเกิดปัญญาความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นต น, ตนตมันมีความกำหนดจดจอไปให้ความรู้สึกเหล่านั้นมันละ ล, ะละลายหายจากจากนั้นแล้ ว, ลวพยายามขัดสีฝึกซ้อมทำแบบฝึกขัดขัดเกาอยู่ตรงนี้แหละ จนมันเริ่มจำเจ้งชักเจนขึ้นมาในหัวใจของเราทําให้ความรู้สึกภาพเป็นเราว่าเป็นของของเรามันเริ่มจางไปจางไปจางไปจางไปเกิด ค, ความรู้สึกอย่างอื่นขึ้นมาแทนนี่มันเป็นผลตกลึกมาที่หัวใจของเราผลอนันในสงตกอยู่ในหัวใจของเราอันเดียวแต่ไม่ใจ่เมเรามีความฉลาดมีความรอบรู้เริ่ม ก็เริ่มตั้งเริ่มเหยียบอยู่บนพื้นฐานในความถูกต้องด้วยเหตุที่เราเข้ามารู้เข้ามาเห็นสัจจะที่เป็นพื้นเป็นฐานที่ทำให้เราก่อรักราบกอชายิครับตัวเราเองเนี่ยมันพวงมันพวงมาจากยังไงมันพวงมาจากมันก็พวกมันจะกิดมีความกิดมีความีเราจะเห็นวิบายนะเห็นวิธี เราจะได้อุบายเราจะได้วิธีการที่เราต้องใจให้ฐานรักษาศีลทำใจใได้รักความสงบรับพิจารณาไดปัญญาครบวงจรทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นการเพิ่มบุญให้กับเราเพิ่มสติเพิ่มปัญญาปัญญาจะต้องตามเนื่องไปทุกอย่างทุกเรื่องถ้ากาดสติขาดปัญญาภัพยังอีญญ่นมัตกไปหมดแล้วถูก เงาของวภิชาตัญหามันครอบคุลไปหมดแล้วแต่ถ้ามียังมีสติปัญญาเคียงข้างอยู่ผมว่ายังมีแสงสว่างอ่าสํากับอยู่พอพอที่จะช่วยบดบังความเบื่ที่ถูกบดบังจากสิ่งเหล่านี้กับอารมณ์บางอย่างกับอารมณ์บางเรื่องที่เป็นเหตุเอให้เรายืดให้เราเกาะจนเหนียวแน่นมันคงเราพยายามตั้งใจ เจรินบทธรรมเหล่านี้พิจารณาธรรมเหล่านี้จนเป็นจริตจนเป็นนิสัยเป็นผู้เข้าถึงธรรมเข้าอยู่ในธรรมเป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมเป็นผู้มีอัดมีธรรมเป็นนักธรรมตั้งใจธรรมจนสามารถเข้าถึงธรรมเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทา ทำอย่างยิ่งทําให้มากเจริญให้มากนเดี๋ยเรานั่งภาวนานานๆแค่เรานั่งทำจใจสงบเ้วก็สงบไม่อยู่พยายามดึงพยายามรั้งกันอยู่นั่นแ่ะพยายามปลุกพยายามประคองอยู่นั่นแหละพยายามปลุกพยายามประคองอยู่นั่นแหละทให้นั่งให้นั่งกิริยาบทเดี่ยวทําให้เปลี่ยน เราจะได้รู้ว่าอุปาทานของเรามันแนหนานะมันคงมากเท่าไรนั่งไปนั่งไปสักหน่อยหนึ่งมันเตะมันปวดเนี่ยเก็บมันปวดเนี่ยนี่คือทุกขเวทนาเกิดขึ้นเรามีอุบายวิธีต่อสู้ยังไงโดยที่ไม่ให้เราพลิกไม่ให้เราเปลี่ยนเนี่ยสัจธรรมปรากฏให้เราพริจรารณาจะเราสู้ม่ไม่ได้ เราเรายึบเราถือเหมือนอย่างที่เรานั่งม า, นานเนี่ยนั่งมาเป็นชั่วโมง น, นั่งมาเป็นชั่วโม ง, งก็เจ็บมันก็ปวยแล้วท่าให้พิจรารณาแทนที่เราจะอยู่กับบทพุดโธเราก็มาพิจรารณาถึงความทุกข์ความเจ็บความปวดนั่ยท่านให้เอาสติกำหนดจดจ่อจิตของพโพธูของเราจอไปที่เวทนานในขณะที่เรากําหนดจดจ่อลองไปนี่มันมันแยกกันโดยอัตโออกมา มันแต่ถ้าเราไม่พิจรารณาไม่กําหนดเจุดจอ่อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบใจกับผู้รู้ของเราเนี่ยปาทานก็นสวมรอยเข้ามายึดเข้าว่าเราเราเกิดความรู้สึกว่าเราเจ็บเราปวดเนี่ยรู้สึกว่าเราเจ็บว่าเราปวดนั่นเนี่ยมีตัญหามันครอบหงวดใจของเราเต็มที่แล้วเราเข้าอยากความอยามแสดงเข้ามาอยากไม่เก็บ อยากไม่ปวดแน่ขยับปั๊บเปลี่ยนปุ๊บอ่าพอรู้สึกว่าไอ้ที่มันขัดขปวดปว ด, ปวดขัดขัดตรงนั้ น, น่ะรู้สึกกระจายไปแน่จิตใจก็ไม่คงที่ทีแรกไม่พอใจผมเก็บมันปวดยากไม่เก็ยบยากไม่ปวดพอขยับปั๊บไอ้ความขัดความเก็บความปวดนั้ น, น่ะรู้สึกจางไปหายไปรู้สึกดีใจพอใจแน่มันทั้งขึ้นทั้งลงนะ เรืองของปัญหาที่มันกัดกร่อนในหัวใจของเราเนี่โอกาสที่มันจะสร้างรกรากสร้างโลกสร้างหลานสร้างเรียญของมันเนี่ยมันมีรอบรอบด้านถ้าเราไม่มีอุบายไม่มีวิธีต่อสู้กับมันแล้ยอมจำนนจำนยอมกับมันแล้วท่นจึงให้เรากายมาพิจารณากายเวทนาจิตทำอย่างใดอย่างหนึ่งมาพิจารณา โดยมีสติเป็นบทเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานตัวสติตัวเดียวจะเป็นผู้ยืนโรงพยายามทำความเข้าใจรู้เกี่ยวกับเรื่องสติสติเรื่องสูงคือสติที่เรามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องมาสติปัฏฐานนี่แหละมาพิจารณากายมาเป็นพิจารณาเวทนามาพิจารณาจิตมาพิจารณาธรรมตามรู้กายตามรู้เวทนาตามรู้จิตตามรู้ธรรมไม่ใช่เราทำครั้งเดียวครบหมดทั้งสี่นะ เราทำครั้งเดียวให้ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งอาก า, ศ า, ศ า, ศาศรทั้งสีมันจะรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละก็ราะปหาเวลามันจะแทรกมันจะแทรกมาที่กายก็ได้ที่เวทนาก็ได้ที่จิจก็ได้ที่ธรรมก็ไ ด, ได้แต่ในขณะที่เราทํางานอยู่ที่กายเวทนามันก็แทรกเข้ามาไม่ได้ที่จิตมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้ที่ธรรมมันก็แทรกเข้ามาไม่ได้เพราะเราเอาจิตผู้รู้ดวงเดียวมาทํางานเกี่ยวกับกายอย่างอืง่นเหมือนถูกจิตประตูหมด ออย่างตอนนี้เราเจ็บระปวดเราย้อนมากำหนดจดจ่อพิจารณาเวทนาคือความเกี่ยวความปวดเมื่อที่เรามีสติกําหนดจดจ่ออยู่ที่ความเจยบความปวดที่กายมันก็สวมรอยมาให้ยึดที่กายไม่ได้เพราะมันไม่รู้จะเอาตัวไหนไปแสดงความยึดพระจิตคือผู้รู้มีหนึ่งเดียวยะจะทํา ง, งานกับอารมณ์ใดก็เอาประจิตผู้รู้ดวงเดียวนหึงไปทํา จะมาพิจารณาจิตย้อนมาดูเวทนาจะพิจารณาเวทนาย้อนมาดูจิตอย่างนี้ก็ได้ได้ทั้งสองอารมณ์อารมณ์หนึ่งเป็นจิตอารมณ์หนึ่งเป็นเวทนาแท้ที่จริงเวทนามันก็เป็นอารมณ์ของจิตกายมันก็เป็นอารมณ์ของจิตจิตเป็นผู้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ท่านให้เราพิจารณาอารมณ์นั่นแหละการที่เราตั้งใจพิจารณาจิตก็คือพิจารณาอารมณ์จิต คือสภาพมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้เราจะจับผู้รู้ของราอยู่ที่เราจะต้องจับอารมณ์มันมันฟังยากนะแต่ถ้าเราตั้งใจทําแล้วมันจะเข้าใจแต่ถ้าหาเราจะฟังให้เกิดความเข้าใจโดยที่เราไม่ทําไม่เสเกตไม่สังการจริงจังและจะเข้าใจยากกายเวทนาจิตทำทำก็คือสิ่งที่เป็นธรรมอารมณ์ในใจของเราเราจะพิจารณาจิต ย้อนไปดูเวทนาแล้วจิพิจรารณาเวทนาย้อนมาดูจิตจรรจาาทีนี้มันก็เป็นธรรมย้อนไปดูกายพิจารณาที่กายมันก็เป็นธรรมเพราะมันเป็นเรื่องที่พันกันไปหมดเวลาเราทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งพันกันไปหมดเพราะฉะนเราไม่ต้องห่วงนี่เราคนเราเกิดจากพิจรารณากายแล้วอยังยังเวทนาพิจรารณาเวทนาแล้วยังเหลือจิตยังเหลือธรรมตั้งใจทํำด้วยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึง่งมันจะรวมตัวกันอยู่ในนั้นทั้งหมด รูปธรามของเราทั้งนามาทําของเราเขาไม่เคยพลาดจากการเขาจะทำงานประ ส, ระสานกัน ท, กทุกเวลาทุกเวลานีถ้าทําได้อุบายอย่างนี้เราพอจะต่อสู้กับเวทนาได้ไม่ ง, งนเราไม่มี ว, วิชาการต่อสู้กับเวทนาหรอกพอเวทนาโผล่ขึ้นมาปั๊บเราก็ยอมแพ้เวทนาโผล่ขึ้นมาปั๊บเราก็ยอมแพ้เนื้อเกียรติรปแต่งอย่าง อ, างอื่นหมดหมดนิดๆ น, นะขาดนะ ขาดความสนใจอ่ะไม่อยากนั่งอล้คุณทําอย่างืนที่จะเกิดขึ้นที่เคยเริ่มส่ศรัทธาอย่างได้อยากมีอยากเพีงเทพักเลยคนพัก er เลยคนติดเพลินใจกับอย่างอื่นเพลินไปเพลินมาก็เผลอลืมเนื้อลืมตัวแล้วเผลอลืมเนื้อลืมตัวแล้เริ่มทิ้งทิ้งเลยทิ้งบ่อยทิ้งทิ้งหนักหนักเข้าหนักนักเข้าก็ไม่คิดถึงเลยปล่อยละทิ้งแง่ไม่เริ่มใส่ศรัทธาพอ คุณสมบัติที่จะ เ, เกิดขึ้นมีขึ้นมาเกิดไม่ได้นี่คือการตั้งใจปฏิบัติต่างภาคปฏิบัติจริงๆที่จะเข้าไปรูป้เข้าไปเห็นสัจธรรมมันต้องตั้งใจทําถึงขนาดนี้ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเห็นแต่กิริยาที่ทําเหมือนอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นได้กลาบได้ไหวกันนี้แหละสิ่งเหล่นี้ก็อยู่แค่นี้แหละเป็นการเอากายของเรามานอบน้อมเอาวาจาคําพูดของเราเนี่ยมานอบน้อมกล่าวสรรเสริญไป บอกเปก๊กบอกเปก๊เห็นไหมเราได้ยินไหมแต่สิ่งนี้มันเป็นสื่อเข้าไปที่หัวใจทั้งหมดนั่นแหละทํายังไงเราจะเอาสิ่งนั้ น, น, นเป็นอารมณ์ให้ใจของเราสงบประงับจากตันหานหัวใจของเราได้ตัวจําเลยตัวเดียวตัวนี้แหละตัวที่เราเล็งเป้าใส่ไม่ขาดระยะทุกครั้งทุกระยะพยายามกำหนดจุดจอจ้องอยู่กับตัวนี้ตัวเดียวยตัวรายกาดพยายามจะเรื่องงานมันให้ได้ มันก็ไม่ใช่อะไรคือใครที่ไหนคืออะไรที่ไหนมันคือคือความเร็วซามของใจขอนเราเองมันมีทั้งส่วนดีมันมีทั้งส่วนไม่ดีเนื mm. <ias> ่องจากเราขาดการฝึกหัดดัดเปลงมามารู้กีกับการกี่บุรชาติเวลาเรามาเริ่มฝึกขาดดัดเปลงเราจะเริ่มรู้เราจะเริ่มเข้าใจเราจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเราจะเริ่มจับยาเราจะเริ่มลิเอียดเข้าไปเอียดเข้าไป เริืมมดตึ๊ดื้อเริ่มสว่างเข้าไปเริ่มสว่างเข้าไปเคยโง่เคยเข่าก็เริ่มฉลาดเข้าไปเริ่มฉลาดเข้าไปเริ่มรอบรู้เข้าไปจะต้องอาศัยความพยายามทําอย่างต่อเนืเ่องการทำให้เธอะเป็นบุญเป็นกุศลในหัวใจของเราเรามีสิ่งเหนี้อยู่ในหัวใจสิ่ที่ติดแนบคอยตามมาคือปัญญา ที่เกิะ้นทยิ่งใหญ่มากปัญญาทำให้โลน้สว่างปัญญาโลกัสมมุปัชโชตปัญญาเป็นเครื่องประดับของพวกเราทั้งหลายเรามีปัญญาเป็นเครื่องประดับทีแปร่พราวไปหมดรู้เหตุเพื่อความดีทั้งหลายทั้งปวงรู้เหตุเพื่อความชั่วทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็พยายามล้ารู้เหตุเพื่อความดีทั้งปวงปัาญาบรรพเพลิน พยายามทั้งอกตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวพยายามทําความเข้าใจกับความรู้สึกของตัวเองเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเกณเป็นบรรทัดฐานแล้วเราพยายามทั้งอกตั้งใจเดินราเจริญรอยตามพระองค์ไปพยายามช่วยยกตัวเองขึ้นจากที่ต่าๆปนเวียนวายในวัฏสงสารการโลกรูปโลกอรูปโลกไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ เราขยับมาตรงนี้เราพยายามเดินเข้าไปหาหลักของสัจธรรมหลักสัจธรรมนี่แหละจะช่วยย่นยอ่อพระชาติของราให้สัน้นลงให้สัน้นลงให้สัน้นลงอย่างน้อยแล่ด้วยสติแล่ด้วยปัญญาและด้วยชีวิตจิตใจเอาเป็นเอาตายเข้าใส่คนที่เราบักที่วาชนอย่างน้อยก็เป็นผ ย, ยิ่งใหญ่ด้วยความเลื่อมใสกตทานในคุณของพุธพทธเจ้าประทมประสงค์เป็นผู้ถึงพร้อมที่จะเกิดในสถานที่ที่ควรจะหมดจะส่ง ปฏิรูปประเทศหรือเข้าถึงคุณธรรมอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็สบายแล้วก็จะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรืยเหตุที่เราตั้งหลักได้เข้าถึงหลักต้นตอในเบื้องต้นเราก็มีความสุขขอขอสําคัญความตั้งอยู่ในในใจนั่นแหละไม่ลดไม่รักไม่ปล่อยไม่หวังไม่ทอดทิ้งความมุ่งมั่นที่จะตั้งออกตั้งใจทำ ทำมาหากินเป็นเรื่องของอาชีพที่มาเพื่อได้อยู่ได้กินแต่การทำบุญกุศลพรสงฆ์หวใจนั้นเราก็ไม่ปล่อยไม่ละไม่ว่างทั้งสองนี้พัฒนาไปพร้อมกันพัฒนาชีวิตแล้วก็พัฒนาจิตใจจิตใจที่มีศีลมีธรรมันเกื่อกูลกับชีวิต พลายทำให้ชีกเรามีสินมีธรรมไปด้วยแต่ถ้ารหาปัจจัยสีดํารงชีวิตที่ประสิทธิ์จากสีนประสิทธิ์จากธรรมจิตใจของเราก็จะร้อยประสิทธิ์จากสินประสิทธิ์จากธรรมไปด้วยเสียโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมัง พ, พ, พุทธศาสนาโอกาสที่เราจะได้มาประสบพบเห็นเป็นเรื่องที่ยากแต่ เราไม่ตั้งนื้ตั้งตัวอยู่ยงนี้อาเนี่ยสงเพียสงไปให้เราได้ประสบพบเห็นอ่าเพื่อเกิดในปฏิรประเท ศ, เ ใ, นทเทศในที่เหมาะที่ควรที่มีพระพุทธเจา้ามีพระธรรมพระสองค์อีกมันก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมาอุดมาหนุนเราตั้งตนอยู่อย่างนี้เป็นการตั้งตนไว้ชอบเพราะตั้งตนไว้ในบุญในกุศลการตั้งตนไว้เกี่ยวกับบุญกับกุศลนี่ยมันเป็นการตั้งตนไว้ชอบชอบด้วยการให้ทานชอบ้วยการรักษาสิ่ เราเพื่กินตั้งใจปฏิบัติสมรถะแล้วก็วิปัสสนายาเพรื่นทุกยอย่างลำบากยังไงปฏิกิริราไปสร้างธรรมเพื่อผลประโยชน์เพื่ออนาคตที่มีคุณธรรมพระสูงวิจัยของเราเสียสละยิ่งในชีวิตแต่เราเทียบเอาความพยายามบูสาพยายามของพวกเรากับพระพยายาุทธเจ้าเราตั้งใจเทียบขึ้นมาแล้วเราจะได้กําลังใจว่าพราะองค์ไม่ใช่เสียสละแค่ขั้น ที่เราบํำบิแล้วก็ทกําการแข่งพระองทําเอาชีวิตใส่เข้าไปเลยพูดถึงแค่ทานทานทานทานทานจนไม่มีอะไรจะทานตัดอวัยวะให้เป็นทานแค่นั้นยังไม่พอให้ชีวิตเป็นทานดูสิอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับชีวิตสา่ารถให้ชีวิตเป็นทานได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงชนะเด็ดขาดหมดทุกอย่าง พูดถึงอันินสงส์แค่การให้ทานทานบารมีศีลบารมีพระเจ้าสร้างทำยิ่งใหญ่มากเนครมะออกอบวดปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานอธิษฐ า, านคือคือการตั้งความปรารถนาอันนี้ก็ปล่อยมาได้นะ ใครที่มีไม่มีบุญอธิษฐานในบุญบา ร, รมีในการอธิษฐานอับา ร, รมีมันก็เกอ่ยวางเป็นหลักปักกีตมงี้โคลลขี้ควายเป็นหลักปักเลนไม่แนบแน่นมันคงขาดการอธิษฐานข า, ขาดการตั้งปกตั้งใจขาดการตั้งเป้าในเมือไม่มีการตั้งเป้ามก็สเปสบักดเดินไปไม่รู้ไปที่ทางไหนก็ไม่ไม่ได้หันหน้าเข้าไปหาเป้าการที่เรามีอธิษฐานนบา ร, รมีมันมีเป้า ราศจากความพ้นทุกข์นี่เราตั้งไว้แบบนี้ถือว่าเรามีเป้าประสงค์ราศจากความพทุกข์บนเป็นผลภัยในวัฏสงสารเจทีท่เถอะเราตั้งแบบนี้ก็ะือว่าเป็นการตั้งตนไว้ชอบฐานบารามีเมตตาอุเบกขาเมตยังเมตตาอย่างยิ่งอุเบกขาโอเมตตาก็แล้ว ปรุณาแตแล้วมุทิตากต่แล้วโอ้ยมันกรรมของสัตว์มีกรรมของสัตว์เ่มือนอ่าเราเห็นสัตว์เราประสบสาระเราก็ช่วยมันได้แค่นี้แหละคุยกับมันก็ม่รู้เรื่องก็ช่วยมันได้แค่นี้เกิดบางตัวมันเก็บแค่ได้ป่วยเนี่ยเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้จากนั้นเราก็ช่วยโอ้มันกรรมของขสัตว์เราจะขยับเพื่ออะไรไปดีมากไปกว่านี้แล้ว พยายามาที bon ่ <Leben urs> คนเราดูคนหลายชั้นพวกโดยเฉพาะเรามาสู่ประเทศอินเดียเราคิเห็นเขามีการขออะไรอะไรมากมายเห็นไหมเราขึ้นไปที่เขาคิจูกรเรียงกันเท้าขึ้นไปนะเขาก็สร้างพายาติซื้อช่วงกันอยู่นั่นแหละเห็นไหมั้งกอทั้งอุ้มทั้งนู้นทั้งนี้กสมือนอย่างที่เขาตีกลองร้องเพลงนะหม เดี๋ยวมันนี้วันนี้พวกวั น, นิพก อ, น, น, พกอ น, นี้มาตั้งแต่สมัยพุทกาลเดี๋ยววันนี้พวกวันนี้พกที่กรองร้องเพลงที่กรองร้องเพลงใครใครเย็นใจเขาสงสารเขาก็เอาขาพณะไปให้เขาอย่างน้อยเขาก็มีของแลกเปลี่ยนเขามีศีล ป, ปะในการแลกเปลี่ยนแค่นี้เขาก็อยู่ได้เขาทำให้ยี่ของเขาได้อย่างสง่าผ่าเผยเห็นไหม ถึงแม้ว่ามือหนึ่งเขาจะอุ้มลูกมือหนึ่งเขาจะอุ้มกรองเขาก็ยังภาคภูมิใจเขาเมื่อกี้เราก็เห็นที่หน้าบ้านของเสียถีอนะถ้าวิธีเสียถีเขาก็เดินอย่างสง่าฟ้าเผยตามหน้าตาเยี่มแย้ยมเจ่มใสเขาไม่ได้เศร้าหมองอะไรของเขาเขาอยุบจนเป็นไอคีของเขาเขาไปได้ที่ดีมีร่งเงาหนิดหน่อยเขาก็นั่งลงเขาก็นั่งลงลูกอยู่ข้างหนึ่ง มือเขาก็ตีไปป่าก็ก็ร้องไปนี่คือกรรมของสัตว์แต่ดูว่าเราจะเกือบพบน้ำชาติน้ำชาติตามชาติสูงต่ำต้อยขนาดไหนต่ามันก็ยึดก็เกาะพบน้ำชาตินั้นไปได้ร่างเป็นสุนัขมันก็ยึดเกาะร่างนั่นไปได้ร่างเป็นไก่เป็นเกตมันก็ยึดร่างนั้นแหละไปได้ร่างเป็นแมวเป็นเสือมันก็ยึดร่างนั่นแหละไป่วนเป็นคนชั้นต่ำขนาดไหนมันก็ยึดร่างนั้นแหละ ชั้นกลางๆชันละเอียดฉั้นขนาดไหนมันก็ยึดร่องอันนั้นเลยพความยึดตัวนี้เหมือนเนียวแน่นมันคงเขารับเขาเจ้าเขาสมควรของเขาอีกเขาทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็ตามเขากระทัาเจ้าเขาสมควอย่างนี้เราดูอำนาจของปัญหาในหัวใจมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันมีอำนาจขนาดไหนที่เราตกเป็นทาสของมันโอกาสที่เราจะมาเรียนรู้เพื่อที่มาตอบก่อนตัวมันยาก มาเรียนรู้เฉยๆยมต้งองหกตั้งใจทำตามต้องอุตสาห์ต้องพยายามถ้าไม่อุตสาห์ไม่พยายามแล้วก็ไม่ถิดไหนแล้วบานทีเราหันหน้าตั้งใจจะเล่นงานมันถูกมันเล่นงานเราสักก่อนแล้วตั้งใจจะเล่นหน้าเล่นเล่นงานมันมันเล่นงานเราสักก่อนแล้วเมื่อเราตั้งใจจะโอกจิตาอาวุธอะไรวันนี้นะ โอ้ยใจหนึ words, stance, be <c oughs> <co> ่งก็ทดถอยแล้วข้างในโอ้เราจะไหวไหมน้องเราจะไหวไหมน้องเ่าไหวไหมน้องตั้งใจที่เราคิดทูกนะเห็นไหมในขณะที่เราตั้งใจจะเอามันจริงจางเข้าเนี่ยมันแก่มากระซิบกระซาบเไม่ได้เรื่องหรอกไม่ได้เรื่องหรอกอย่างเขาทำสบายแล้วเถอะ เลี่ยนออกมันอ่อนมนเข้ามันองน่งครั้งแท้ๆนะพี่ยนาน ด, ดูให้ดีเถอะยิ้มใส่มันเลยเดินใส่มันเลยเจาออกเข้าไปเลยไม่มต้องไปกลัวอะไรกับมันแหล ะ, ะรเราสติปัญญานะ่ยยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแหละย่าทั้ง อ, อกทั้งใจท่้